สำหรับตอนนี้เราก็จะได้มาพบกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลในช่วงของการที่ท่านจะได้น้อมนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตอบคำถามช่วงเวลาที่เราให้ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะมากราบท่านพร้อมๆกันก่อนนะคะ ท่านจารย์คะสำหรับวันนี้คำถามก็อาจจะสืบเนื่องกับสิ่งที่คนต้องการกันทั้งนั้นเลยนะคะมไม่ต้องการเหนื่อยอยากมีลาบลาบรอยบางคนนี่โอ้เป็นเวลาถูรัตเตอรี่นะคะบางทีถูแค่เลขท้ายสองตัวเนี่ยดีใจมากเลยชีวิตมีลาบบางเอญดิฉันเนี่ยไปเปิดหนังสื อ, อปฐมธรรมพุทวัจนะเล่นเนี่ยคะ่ะเห็นหัวข้อแล้ว ตกใจมากเลยพวกลาบสการะนี่เป็นอันตรายแม้แต่กระท่งพระอราหารันต์ก็เลยอยากจะหยิบยกเอาประเด็นเนี้ยมากราบเรียนถามท่านเพราะว่าเห็นปีใหม่คนก็อยากได้ลาบกันดิฉันก็อยากได้นะคะมันไม่ดีหรอกลาบสการะเ<อ>นะะี่ยมันก็ง่ายดีนะคะเออก็ดีอยู่น ะ, ะเป็นแต่เพียงว่าเราต้องอาอยู่กับมันด้วยปัญญาก็เหมือนกับพระเจ้าก็บอกเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งลาบ ว่าถ้าเธอต้องการได้มาซึ่งลาบหรือโพคาอันใหญ่เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ให้ทานจำแนกแจกทานนะหรือต้องการได้มาซึ่งเกติศกันใหญ่เนี่ยก็คือต้องฝึกลักความตระหนี่ขณะที่เราจำแนกแจกทานแล้วเราเราลารักความตระหนี่เนี่ยการลักความตระหนี่จะเป็นตัวให้ได้มาซึ่งเกติศกันใหญ่ส่วนตัวที่เราจำแนกแจกทานเนี่ยจะเป็นตัให้ได้มาซึ่งโภคานใหญ่ พเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยได้มาซิ่งโควะเหมือนกันบอกว่าเวลาเธอทำมาหาเล้งชีพเนี่ยให้รายรับเนี่ยท่วมรายจ่ายเข้าไว้นะอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับแสดงว่าพระเจ้าก็ต้องการให้เราทุกคนมีรายรับมากกว่ารายจ่ายใช่ไหมแต่พระองค์ก็เตือนไว้ในความเป็นกาลว่าชั้นเลื่ว่าเอ๊ ภคษัตริย์ที่เราบริโภคอยู่เนี่ยเธอต้องไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภกษัตริย์เหล่านั้นไม่กำหนัดคือไม่ไม่หลงกับมันไม่มัวเมากับมันนะมีปัญญาเห็นโทษด้วยนะและมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกแล้วเราต้องเห็นรู้จักความเสื่อมของมันความไม่เที่ยงของมันและมี ปัญญาเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นคือการละความเพลิในสิ่งนั้นแต่ก็บริโภคมันได้ถ้าอาจารย์เลยอธิบายไปยาวเลยนะคะแต่ดิฉันจะสรุปในส่วนที่ดิฉันตั้งคำถามท่านอาบอกว่าไม่ดีหรอคะลาบเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าก็ดีถ้ารู้จักใช้ด้วยปัญญากำลังจะวกมาอ๋อขข อ, ขอประทานโทษกันอันนี้คือคือเพราะว่าเดี๋ยวโยมจะถ้าเราพูดถึงความอันตราย ของลาบสักการละอย่างเดียวความเป็นคารว่าก็รู้สึกอ้าวแล้วสรุปแล้วผู้เจ้าไม่ได้สอนเรื่องการให้ได้มาซึ่งโภคาเลยสอนอยู่กําลังจะบอกไล่ตั้งแต่ว่าผู้เจ้าเนี่ยสอนสอนให้ได้มาซึ่งกันได้โภคะและได้มาได้ยังไงและอยู่กับมันยังไงแต่โภคาต่างๆเหล่าเนี้ผู้เจ้าบอกมันจะเป็นอันตรายแม้แต่กับพระอรหรันต์นะเพราะเพราะอะไรนะแล้ว ภายใต้ความเป็นพระหลานหรือพระราบุคคลก็ต้องเป็นผู้ที่ได้มาซึ่งเอกรักปัจจัยตามเหตุปัจจัยที่ตนเองได้สร้างมาแต่อดีตและจะอยู่กับมันยังไงโอ้มันหลายแง่ามากน ะ, ะนั้นถ้าเป็นนัก บ, บวชเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะขวางกัน้นมรรคผลเพราะนักบวชเนี่ยเป็นผู้ที่ออกจากเรือนมาบวชไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเป็นคนที่ ละทรัพย์สมบัติกองสมบัติต่างๆญาติพี่น้องทั้งหลายนะเพื่อมาสแสวงหาความพ้นทุกข์เพื่อให้บรรพชานั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสว่างในการที่จะประพฤติปฏิบัติพระงจึงบอกว่าลาบสักการะและเสียงเย็นยอเนี่ยเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านะก็ในเมื่อ เรากำลังจะละความผูกพันในโลกแต่เราดันไปพอใจสิ่งที่โลกเขายึดติดอยู่แล้วมันจะหลุดพ้นได้ยังไงมันจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแบบเต็มที่เลยนะแต่ขณะเดียวกันผู้ประพฤติปฏิบัติก็ต้องมีเอกลาบ ป, ปัจจัยพระองค์ก็บอกพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีลาบสักการะและเศียรยิ่งมากที่สุดเลยอะและจะทำจิตยังไง พระองค์จึงบอกว่าอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงยันย่ออันเกิดขึ้นแล้วจกต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธอดฉงนั้นเวลาเราได้มาซึ่งเอกลาปัจจัยชื่อเสียงกิตยยศต่างๆเนี่ยเราอย่าเอาจิตเข้าไปผูกพันกับมันส่วนพระศาสดาวางจิตอย่างไรพระศาสดาวางจิตว่านะพระองค์เคยตั้งจิตไว้ในทำใด เมื่อพระองค์ได้รับสักการะและเสียงเย็นยอนั้นแล้วพระองค์ก็กลับไปตั้งจิตไปในธรรมนั้นเหมือนเดิมเช่นว่าพระองค์เคยใช้วิรธรรมคืออาณาปานาสติจากนั้นแล้วก็ไปผัสสะกับลาบสักการะและเสียงเย็นยอรับแล้วก็วางไว้แล้วก็เอาจิตมาอยู่กับวิรธรรมเหมือนเดิม ง, ง่ายๆแค่นี้เองนะอพอจ้าจนะก็อันนี้คือ ถ้าท่านตอบมาอย่างนี้นี่ดิฉันต้องลารายการเลยเ น, นี่ย <c oughs> ผมต้องขออนุญาตค <c oughs> ือครบเคลื่อนหมดแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะกลับเรียนถามท่านให้ละเอียดยิบย่อยเข้าไปอีก <c oughs> คือสรุปว่าถ้าเป็นเราๆท่านๆธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วลาบส ก, การะที่อยากได้กันอยู่จะว่าไปก็เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนถูก <c oughs> ไหมคะ <c oughs> แต่ว่ายิ่งเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เป็นผู้ที่มีธรรมเนี่ยยิ่งต้องระวังกับการอยู่ด้วยกับสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ด้วยปัญญา แล้วพระพุทธองค์ละเอียดมากเลยนะคะสอนด้วยว่าวิธีจะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้แปล ว, ว่าราบนี้ไม่ได้ลอยมาจากคนอื่นสิคะท่านในความหมายของพระพุทธองค์อะค่ะก็มันมันก็มีทั้งสองอย่างว่าลอยมาจากคนอื่นก็ได้เพราะเหตุปัจจัยเก่าหรือว่าเหตุปัใจจัยใหม่ภาษาใหม่กรรมใหม่ที่เราสร้างงั้นก็วควรท่านช่วยทบทวนอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนวิธีได้มาซึ่ง ซึ่งเอกลาก ป, ปัจจัยใช่ไหมค ะ, อะเอกลักปัจจัยนี่หมายถึงลาบเหมือนกันถูกไหมคะดได้อย่างใดไหม ค, ๆๆคะท่านคะก็ <c oughs> เหตุปัจจัยเช่นเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลการทําสมาธิสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งเอกลากปัจจัยทั้งสินส้นมีศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าถ้าบว่าทานทานศีลสมาธิท่านบอกว่าให้ทานเนี่ยเป็นการที่ลดความตเนี๊ และเป็นการจะทําให้เราได้มาซึ่งโภคาดันใหญ่โภคาดันใหญ่ในพ้อว่าไหก็โภคาดันใหญ่โภคะก็านใหญอาหารก็เป็นโภคะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็เป็นโภคะบ้านก็เป็นโภคะด้านยารักษาโรคพ้นจากการเราให้ทานใช่บางคนก็เลยบอกว่าที่ท่านพูดเนี่ยก็คือเราเอาเงินไปซื้อเนี่ยก็ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้แน่นอนเหมือนกันไหมคะการเอาเงินไปซื้อแล้วเงินจะได้มาจากไหนล่ะ หรือเงินมันลอยมาเองใช่ไเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งเงินใชอ่อันนี้แหละเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งพวกาัพท์ต่างๆโู้ฆาหรือพว้าศัพท์ต่างๆเนี่ยก็คือเหตุปัจจัยตรงเนีนะ้หนึ่งทานมีการให้ทานไม่มีอะไรจะให้ไม่เป็นไรรักษาศินนะรักษาศินยังไม่ได้ไม่เป็นไรทำสมาธิไปเพราะฉะนั้นะ นี่คือเหตุปัจจัยทำสมาธินี้ได้หมดปรารถนาอะไรได้หมดรักษาศีลก็เป็นเหตุได้ไดมาซึ่งโภกทรัพย์นี่ก็คือ<ม>วิธีที่จะได้มาตามคําสอนของพระพุทธองค์แล้วพอได้มายังสอนอีกใช่ไหมคะมว่าได้มาแล้วจะใช้เขาอย่างไรใ ช, ใช่จะมีที่พระองค์แบ่งทรัพย์เป็น4ส่วนไหนะว่าอันดับแรกให้เลี้ยงดูตนเองบรรดาบิดาบุตรภรยาข้าตาสกรรมกร อันจที่2ทํทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายนะจะมีรถมีบ้านมีวัตถุเข้าของเพื่อดูแลตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยในโลกนี้ก็ทำได้อย่างที่3มเนี่ยแบ่งปันให้กับสังคมนะช่วยเหลือสังคมช่วยชาตินะอย่างที่4ให้แก่สมณพราหมผู้บุญเป็นตนเพื่อการบรนทุกนะเพราะนั้นอันนี้คือสีถานก า, ารใช้ใจ่ายทรัพย์นะือการใช้ใจ่ายทรัพย์แล้วเนี่ย ให้เราเนี่ยใช้จ่ายทรัพยอย่างไม่ยึดติดกับมันน ะ, ะใช้จ่ายทรัพด้วยความพอดีสามาชีวิตาเลี้ยงดูตนเองนะอย่าฟุ่มเฟือยเกินไปมักไปนักอย่าฝืดเคืองเกินไปนักน ะ, อ, ะอย่างนี้เพื่อาจารย์คะดิฉันขอถามคำถามอาจจะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับโลกปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยที่เหมือนกับคนรวยก็รวยดย้วย คนรวยนี่จะมีทรัพย์เยอะนะคะถ้ามีที่ดินเนี่ยบางทีมีมากมีมากชนิดที่ว่าไม่รู้จะมีไปทำไมเพราะบางทีมีก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในขณะที่มันก็จะมีคนอีกจำนวนมากทีเดียวไม่มีอะไรเลย ท, ที่ทำกินเนี่ยสำคัญมากสาหรับคนจนทีนี้คนพวกนี้ถือว่าได้ทรัพย์มาแล้วใช้ทรัพย์ถูกไหยคะก็อยู่ที่ว่าตัวปิดเนี่ยเขาเขาใช้ทรัพย์ของเขาเนี่ยตามฐานะที่พระเจ้าแบ่งไว้ไหม ถ้าเขาเลี้ยงดูครอบครัวตนเองบริษัทบริวา ร, ร, รเขาได้ดีแล้วเนี่ยใช่หมเขาดูแลตนเองให้ปลอดภัยหรื อ, อยังและเขารู้จักแบ่งปันหรือเปล่าอย่างเงี้ยงั้นถ้าเขาไปเก็บว่าเฉยๆไม่ไม่แบ่งปันนะเขาก็จะไม่ได้อนิสงส์ตรงในส่วนของการแบ่งปันไม่อยู่ที่ว่าวิธีการจัดการอย่างไรจัดการกระซั์อย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ อันนี้ถ้าออกไปนอกเรื่องธรรมะนิดนึงนะคะมันก็เป็นเรื่องที่กําลังคิดว่าการกระจายทรัพยากรถ้าจะไม่ให้เกิดความเกิดความอึดอัดของคนที่ไม่มีนะมันน่าที่จะจัดการได้มีประสิทธิภา<ม>พอก็ในครั้งพุทธการจะมีการการแจกทานเป็นระยะระยะนะคนคนรวยในครั้งพุทธการก็จะมีการแจกทานเหมือน ผู้เจ้าเป็นพรามชื่อเวลามะรวยมากแจกทัดเงินถาดทองเลยนะก็คนเป็นร้อยๆเลยแจกทัดเงินถาดทองอนี่ก็ต้องสละให้อฮนะคะใช่ทีนี้ใอันนี้ในส่วนของเรื่องวิธีการใช้และของพระพุทธองค์ก็มีกําหนดว่าจะใช้อย่างไรบ้างอสซึ่งถ้าเป็นของพวกเราปัจจุบันจุบันปัจจุบั น, ป, จจบนปัจจุบันเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครว่าให้ใช้กับตัวเองก่อน แล้วก็ให้กับคนรอบข้างแล้วถึงมาสุดท้ายก็หมายถึงทำบุญใช่ใช่แล้วก็ต้องให้อย่าใช้เกินตัวค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าล่าสัการะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของพระแม้กระทั่งพระอริยะพระอรหันต์ใช่ไหมคะว่าก็ยังเป็นอันตรายที่นี้บางคนเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าบางคนไม่เข้าใจนะคะว่าเอ๊ะทาไมพระเนี่ย อันนี้หมายถึงระสมในปัจจุบันนี้ด้วยว่าบางทีท่านก็มีมีข้าวของเครื่องใช้อะไรที่เขาบอกว่าบางทีมันเกินไม่ไม่มีความจำเป็น อ, าาอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เราจะพิจารณายัางไงัท่านคะเออมันก็ต้องดูว่าคำว่าจำเป็นเนี่ย เ, เราพิจารณาโดยละเอียดหรือ ย, ยังนะ เพราะว่าจำเป็นในแต่ละคนไม่เท่ากันเจ้าของบริษัทใหญ่ๆก็มีความจำเป็นแบบหนึ่งที่จะต้องมีบริษัทมีบริวารมีอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ถ้าเราบอกไม่เห็นจำเป็นเลยแต่งานก็เดินต่อไม่ได้ถ้าเขาไม่มีเท่านี้อย่างนี้เพราะนั้นตัวความจำเป็นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภารกิจหรือเหตุปัจจัยหน้าที่หรือการใช้ชีวิต การเกี่ยวข้องของคนคนนั้นด้วยนะ ค, ความมีความไม่มีถ้ามีแล้วต้องกูน้นี่ก็เริ่มจะสร้างทุกข์หรือภาระให้ตนเองแล้วนะอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากให้เรามีการกู้นี่านีเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องพิจารณาโดยละเอียดนั่นก็คือทุกคนต้องพิจารณาในกรอบของตอนเองว่าตนเองเนี่ยควรจะมีอะไรแค่ไหนอย่างไรก็คือมีตามฐานะของตอนเอง ตามทรัพย์ของตนเองเพื่อไม่สร้างตนเองให้เดือดร้อนเพราะถ้าตนเองเดือดร้อนก็จะนําพาไปสู่สังคมเดือดร้อนด้วยทนะีนี้คนเราเมื่อมีทรัพย์สินเข้าของเนี่ยมักจะมีความโลภความหวงแหนพรัตถาคตก็จะบอกให้มีปัญญาเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นของเสื่อมของไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนคือว่าเวลามันแปรเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะได้ ไม่เกิดความทุกข์กับมันและดูว่าผู้เจ้าเนี่ยแบ่งราบสากกาะละแล้วก็ตัวเสียงเยนยอไวอย่างตัวเสียงเยนยอเนี่ย อ, อย่างพารัธวาชช ะ, ะไปแสดงฤทธิ์ในเมืองโอ้เกิดเสียงเยนยอขึ้นมากมากาเก่งมากเวลากลับมาที่เชตวันคนแห่แห่โนอมล้อมกันมาเต็มเลย ผู้เจ้านั่งอยู่ที่เชตาวันส ง, เงบเงียบอยู่กับท่านนลกลายเป็นอุจจตุรคือข่มทั้งวัดเลยอืก็เลยถามอานนท์ว่าเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเสียงเออะไวย์เหมือนชาวะมงแย่งป่า ก, กันเต็มวัดไปหมด<อ>ใช่ไหอนนั้นท่านนลก็บอกว่าข่าวว่าพานรัตวาชะเนี่ยปวดบาดข้าเศรษฐีลงจากยอดไม้แล้วหอกเวียนไปสามรอบที่กุ้งแล้วเสร็จพื้นผู้เจ้าก็เลยสั่ง ประชุมส่งแล้วก็เรียกพาลัทวัชชะมานี่<ช>ทันทีนี่พระระหรันเห็ถามว่าภาลัทวาัชะาเนี่ยสบายใจั้ยที่มีคนติดตามเป็นร้อยเป็นพันเดินมานะ<อ>คนติดตามมาเต็มไปหมดนะ่ะใช่ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันและมาถึงใกล้พระเจ้าแล้วเอ๊ะพวกนี้ยังไม่ไปสักทีนะเริ่มยุ่งแล้วใช่ไหมหรือพระอานอนท์ก็จะสงสัยแล้วก็ถามพระเจ้าว่า เอ๊ะทำไมลาบสการณ์เสียงยย่อเป็นอันตรายแก่พระหลานได้ยังไงในเมื่อพระหลานไม่มีทุกข์แล้วพระตถาคตจึงบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเป็นอันตรายต่อเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกําเริบของท่านน ะ, ะเราบอกว่าเป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมของท่านนะท่านจะอยู่ไม่เป็นสุขนะจะมีแต่คนมาเข้ามาหามาลบกวนมา ปรึกษ<ะ>ามาจีปาธาเยอะแๆเลยท่านจะหาเวลาที่ไหนที่จะประกอบสุขขววิหาธรรมนี่ใช่ไหมท่านอา จ, จกําลังพูดถึงในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลแต่ดิฉันก็สังเกตนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยครูบาอาจารย์หมายถึงพระสงฆ์ถ้าหากว่าเกิดความเชื่อว่ามีคุณอันใหญ่คือเ ห, อหอมื อ, น, อมนกับว่าเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอก็จะมีคนไปหาเยอะๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะเข้าขายนี้เลยหรือเปล่าคะก็ คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นอให้เราให้เรารู้แล้วทีนี้คนที่รู้แล้วว่าถ้าเป็นเช่นนี้เรามีหน้าที่ช่วยพระอาหารหันต์ให้อยู่สบายขึ้นไหมคะเราไม่ต้องไปหาอะไรเงี้ยหรือเปล่าคะถ้าอยู่บ้านแล้วแต่เหตุปัจจัยเหมือนกับผู้เจ้าบอกว่ามีความจําเป็นอะไรที่เธอจะต้องติดตามตถาคตอ๋อเครถามเหรอคะมาติดตามทําไมเนี่ยไม่ต้องติดตาม เว้นแต่เธออะไรต้องการทราบทำอันเป็นโลภุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญุตานันติติดตามนั้นการติดตามการเข้าไปหาต้องมีเหตุมีผลในการติดตามหรือเข้าไปหาอ๋อค่ะไม่ใช่เออนึกอยากไปชมบารมีกันท่านค่ะนั่นไม่พอไม่พอก็เป็นความเชื่อถูกไหมคะว่าก็ได้ไปกราบพระที่เราเชื่อว่าท่านน่าจะเป็นพระอริยะและจะได้บุญมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีอย่างหนึ่ง ซึงผู้ย่าก็บอกว่าแม้แต่จะต้องพบห่อสเสบียงเดินทางไปไกลแสนไกลนับด้วยยอดยอดก็ยังคุ้มค่าที่จะไปอ๋อค่ะแต่ความคุ้มค่านั้นมันเหนือกว่าการที่ได้ไปพบเห็นแบบว่าหรือเลื่อมใสแค่เลื่อมสายโยมไปสู่สุปฏิโลกสวรรค์แต่ถ้าโยมได้ฟังธรรมโยมหลุดพ้นอ๋อเลื่อมใสนี่ก็ได้ไปสวรรค์แล้วหรอได้ไปสวรรค์อ๋อค่ะแต่ถ้าได้ฟังธรรมเนี่ยมากยิ่งกว่า ดังนั้นท่านกำลัจะบอกว่าการไปพบพระสงฆ์ซึ่งท่านทั้งหลายเชื่อว่าเชื่อโดยตัวเองถูกไหมคะว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรืออาจบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ไปเลยด้วยตัวของคนที่เปหานี่ยนะคะไปให้เกิดประโยชน์ให้ไปถามธรรมะที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานใช่ไหคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้ว แม้กระทั่งพระอาหารหันต์ลาบสักการะเสียงเยินยอ น, นยังเป็นของแสลงเลย uh huh. นะคะถ้าเทียบกับอันนี้พระอาหารหันต์นี่ถือเป็นสุดยอดอบุคคลแล้วนะคะดิฉันว่า uh huh. เพราะว่ายังไงก็เรียกว่าไปถึงปลายทางของสิ่งที่ควรจะไปถึงตามคําสอนของพระพุทธองค์แต่ถ้าอย่างคนเราธรมาธรมดาธรรๆลาบสักการะเยินยอเนี่ยถือว่าเป็นพิษภัยได้อย่างนั้นไหมคะมากขนาดนั้นไหมคะ uh huh. เป็นได้ถ้าเราอยู่กับมันไม่เป็นเราจะเกิดความโลภเอ่อยมลงดูคนรวยเนี่ยคือรวยไม่พอสักทีกถ้าเคยคิดว่ามีสิบล้านแล้วจะพอพอมีแล้วก็เอ๊ไม่พอนะเออพอมีร้อยล้านแล้วจะพอพอมีร้อยล้านก็ ม, มันมีโครงการจะทํโน้นทำนี่จะต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งจะต้องทาอย่างนี้สรุปแล้วไม่พออีกละ เราจะต้องขยับไปอีกขยับไปอีกมันถ้าเราไม่คุมไว้ดีๆมันจะเกิดความโลภ ม, มันจะโลภไปเรื่อยโลภไปเรื่อยโลภไปเรื่อยและเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอพระเจ้าจะบอกตัณหาเนี่ยมันไม่เคยมีพอเลยถ้าสมมติทีนี้เราสมมติดิฉันเป็นคนรวยเนี่ยก็เลยจะสมมุติว่าเราเ<อ>น่าจะคิดยังไงนะคะเราก็น่าจะคิดว่าเรารวยเนี่ยเรามั่นใจในตัวเราเองว่าถ้าเรารวยแล้วเราจะแจกจ่ายนะ โอ้ยเราจะให้ทานคนนั้นคนนี้อย่างเนี้ค่ะแล้วก็บางคนก็ทํานะคะดิฉันเห็นว่าเขาก็อยากให้ความรวยอยู่ในมือเขาเขาอยากจะเป็นคนแจกจ่ายสิ่งเหล่านั้นเองคิดอย่างนี้ถูกไหมคะยังเป็นเหยื่อของความโลภอยู่ไหมคะก็คิดได้แต่เหตุปัจจัยของการได้มาแล้วต้องทําให้เกิดการเบียดเปลี่ยนไหมล่ะถ้าต้องทําให้เกิดการเบียดเปลี่ยนก็ไม่ต้อง ก, กระเสิกระสนขนาดนั้นไงเพราะมันจะเกิดภัย มากกว่าประโยชน์เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ใช่ไหมเพราะ uh huh. ถ้าเราเพิจารณาดูดีๆดูเหมือนกับว่าหรือใ่ไหคนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้นะคะ uh huh. ว่าคนรวยเนะี่ยมีโอกาสทําบุญทําดีมากกว่าคนที่รวยน้อยอะคะ่ะ uh huh. หรือว่า uh huh. จนนะคะท่านะมีโอกาสแต่บางคนก็ทําบางคนก็ไม่ทํานะค่ะ uh huh. มันไม่ใช่ว่าคนรวยจะทําทั้งหมดแล้วก็ถามว่า แค่ไหนถึงตัวเองคิดว่ารวยแล้วจะทำ <Okay. S 1> มันก็คิดไม่เท่ากันอีกเขา้าจารคะแล้วทีนี้นะสมมุติมาตรฐานคนรวยหรือคนมีสตันทั่วทั่วไปทำอยู่เนี่ยถือว่าเขาทำดีพอแล้วหรือยังเช่นก็อาจจะไปทำบุญบริจาคทานตามวัดวานะคะในทุกประเภทที่ทำได้ด้วย mm hmm. กับการบูชาเลื่อยมาจนถึงเทพด้วยซ mm ้ำ hmm. แล้วก็ แจกจายให้กับลูกน้องลูกน้องเราทุกคนต้องกินดีอยู่ดีมีฐานะระดับหนึ่งนะคะถือว่าคนรวยท่านนั้นนี่ดิฉันกำลังจะบอกคนรวยใครรวยต้องฟังดีๆนะครับว่าที่ทำอยู่เนี่ยพอหรือยังทำดีพอหรือยังคะก็ตรงนี้เนี่ยความพอของความรวยเนี่ยมันมันอยู่ที่จิตใจของคนนั้นเลยว่ารเราจะพอตรงไหนอ่ะมันหาเกณฑ์ความพอไม่ได้หรอก ใช่ไหมถ้าถ้าคนรู้คนนั้นรู้สึกว่าอ่าแค่เนี้ยเราพอละเพราะคนไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีสักล้านหนึ่งฉันพอละใช่ใชไหมเพราะเขาเป็นอยู่เนี่ยเดือนไม่กี่พันใช่ไหมโอ้โมีร้านนี้เขาใช้ไปได้ทั้งชีวิตละอย่างเนี้ยอ่าแต่ถ้าคนเคยใช้เยอะๆมันมองร้านนี่มันมันใช้ไม่พอแล้วนะอ่ะมันต้องมีสักยี่สิบสามสิบล้าน แต่ถ้าคนเคยมีบริ ษ, ษัทใบวันมากวันนี้มันยังไม่รวนมันต้องสักร้อยล้านมันถึงจะพอถึงจะดูแลคุ้มครองอะไรได้ใช่ไหมย่อมเกิดมาเป็นลูกคนรวยนะธุรกิจเป็นร้อยล้านย่อมจะฝันมีเงิน 1, 2, 000, ล้านสองล้านมันไม่ได้ละมันต้องฝันมีเงินหลายร้อยล้านเพื่อคุ้มครองธุรกิจตนเองให้อยู่รอดปลอดภยัยลูกน้องให้อยู่รอดปลอดภัยได้ท่า น, นนี้ก็คืออยู่ที่เหตุปัจจัยแต่ละคนว่าอยู่ที่ความพอของตัวเองขนาดไหน และความความรู้สึกในการละความตนันหนีแล้วก็แบ่งปันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เป็นคุณธรรมของโสดาบันอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันการละความตันีการละความตันหนีอวุโสโตโต้เพิ่งไปเจ อ, อเนะอ่าเป็นคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันอ่าที่พระองค์ตัดกับช่างไม้นะซึ่งในนี้เนี่ย ยังไม่ได้มีในไมม่ในหนังสือนหังสือคู่มือโสรดบันเล่มนี้อ๋อค่ะนะขออนุญาตถือมาโชว์นะคะคุณผู้ชมเล่มนี้นะคะอันนี้คู่มือโสรดบันนี่สี่สิบกว่าในยักษ์ค่ะอันนี้คือรวบรวมจากห้าเล่มจากพระโอทนี้นะแต่ที่ท่านหามาเนี่ยท่านหาจากตัวบาลีสามรัฐตรงนี้ค่ะนะอุโศภัยบุ์ หาได้เจอหนึ่งพศูด <Okay. S 1> อุโสโตหาได้เจออีกสองะสูตรวมตอนนี้เป็นสาระสูดเดี๋ยวเราจะเอาเสริมเข้าไปในภาคผนวกของโสดาบันนี้ oh, <th> ใน <what? S 1> ในส่วนที่สอดคล้องกับเรื่องที่พูดนี้ก็คือเรื่องของการให้ทานและการลากความจนิ <Okay. S 1> แล้วบวกกับการมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3อย่างนี้บวกกับเป็นผู้ มีจิตใจปราศจากความตนียินดีให้ทานนะเป็น ผ, ผู้ควรแก่การขอมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้นะเป็นคนยินดีในการให้การจำแนกทานให้พยากรตนและตนนั้นเป็นโสดาบันแล้วนะค่ะให้ทานทุกประเภทไม่จต่<ห>เป็ น, นว่าจะต้องทำบุญกับใช่ศาสนาใช่ใ ช, ใช่ก็ให้พยากรได้แปล ว, ว่าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมอาจจะ ยังไม่เข้าใจคือที่นี่นะคะวัดนาป่าพงกับคณะสงฆ์นําโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลตลอดจนสาหธรรมิกเขเ uh huh. รขียอย่างที่สนใจในพุทธวจนะจากพระโอษเช่นเดียวกันนอกเหนือจากจะเผยแผ่แล้ว uh huh. ก็ต้องสืบค้นใหม่ด้วย uh huh. เพื่อให้ได้พบคําสอนของพระพุทธองค์ที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น <Sure. S 2> นะคะและนี่ก็เป็นผลงานที่ก้าวหน้าไปอีกส่วนหนึ่งของเรื่องของการเป็นพระโสดาบัน ซึ่งพระโสดาบันก็คือพระอริยะบุคคลเบื้องต้นมีอยู่สี่ลำดับก่อนที่จะหลุดพ้นนิพพานเลยนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นเราทุกคนเป็นได้เป็นได้ค่ะเมื่อกี้ถามด้านคนรวยไปแล้วดัง น, นั้นทุกการคนรวยนะคะ <c oughs> คิดว่าคนรวยเนี่ยถ้าคุณรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยจะทานอาหารแต่ละมื้อคงต้องคิดมากนะคะว่าจะทานเท่าไหร่ถึงจะใช้เงินหมดมคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนจนค่ะคงจะต้องถามเผื่อคนจนสักหน่อยหนึ่ง ว่าทีนี้คนจนเนี่ยก็อาจจะไม่มีหลักเสียงสรรเสรินเยินยอมากเท่าคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็ลาบก็มักจะ น, น้อยอคนอื่นด้วยาามันก็ดูเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งทํำยัาาำยงไงถึงจะพ้นจากความทุกข์อะไรแบบนี้ไปได้แล้วก็มีโอกาสอย่างกับคนอื่นเข้าบ้างทําสมาธิทําสมาธิให้มากอย่างน้อยเราก็จะไม่ทุกข์ใจกังวลวายกับความจนที่มีอยู่ และเรากําลังพยายามจะสร้างเหตุปัใจจัยให้หนีจากความจนนี้ไปได้และเหตุปัจจัยที่จะส่งผลให้ในปัจจุบันนะและเป็นไปนตามที่เราปรารถนาก็คือการทําสมาธิค่ะสมาธิแปดระดับตั้งแต่ปฐมฌานนะทุติยฌานตัตยฌานจตุตยฌานถึงเนวสัญญาณาสัญญาญตนะอย่างได้อย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความปรารถนา เ, เหตุได้มาซึ่งเอกลัปัจจัยเราก็ใช้ชีวิตของเรานั่นแหละแบบเดิมนั่นแหละแต่บวกการทําสมาธิไปด้วยะะแล้วก็ไม่ต้องไปปฏิเสธต้องปฏิเสธโอ๊ยไม่เอาราบสกาละเสียงเยินยอเพราะมันแสบเผ็ดมากพระอาหารหันะะยังเดือดร้อนจากสิ่งเหล่านี้เลยเราต้องปฏิเสธไหมคะก็ถ้าเรามุ่งตรงพระอาหารหันย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยไปตามเหตุปัจจัยถึงโยมจะปฏิเสธ แต่ถ้าโยมเคยสร้างเหตุมามันจะเข้ามาเองนะและมือมันเข้ามาเองแล้วเราจะปฏิบัติต่อลาบสักการะเสียงอย่านัน้นั้นอย่างไรก็พระเจ้าก็วางไว้อีกเหมือนกันค่ะนะคะท่านผู้ชมคะและในวันนี้เนี่ยดิฉันขออนุญาตท่านอาจารย์นะคะขอโอกาสที่จะได้อ่านพระสูตรซึ่งเกี่ยวเนื่องกับลาบสักการะที่เป็นอันตรายต่อพระอารหันต์เป็นการปิดท้ายในช่วงของท่านไว้นะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาฟังบทพยัญชนะเต็มๆนะคะซึ่งได้รวบรวมเอาไว้ในหนังสือพุทธวจนะฉบับปฐมธรรมถือว่าเป็นพุทธธรรมในชุดที่คนที่เริ่มศึกษาเนี่ยควรที่จะเข้าถึงค่ะพระสูตรบทนี้อยู่ที่หน้า63ชื่อว่าลาบส ก, การะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแม้แต่พระอรหรันต์ภิกษุทั้งหลายลาบส ก, การะและเสียงเยินยอ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 ท่านพระอนนท์ได้ทูลถามขึ้นว่าลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแก่พิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วชนิดไร่เล่าพระเจ้าค่าดังนี้อานนท์เราหาได้กล่าวลาบสักการะและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายต่อเจโตวิมุติอันไม่กลับกับเริบแล้วไม่อานนท์แต่เรากล่าวลาบสักการะและเสียงเยินยอว่า เป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนี้ซึ่งภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนสมไปแล้วในธรรมเครื่องสงบได้ลุถึงแล้วอานน์ลาบสักการะและเสียงเยือนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษรรมจากโยคะ ไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้อานนลเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจากไม่เยื่อใยในลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาหอหุ้มอยู่ที่จิตของเราดังนี้ อานนพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละ ค, ค่ะท่านผู้ชมคะและนั่นก็เป็นพุทธวจนะในชุดปฐมธรรมนะคะเรื่องของลักษณะของผู้มีสติและสัมภชชญญะเป็นโอกาสอันดีนะคะที่พวกเราจะได้เข้าถึงพุทธวจนะจากพระโอษฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและช่วงนี้ก็คือ ช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระอาจารย์คือปริปโซธิพโลวัฒนาปาพงหลังลูกกาคลองสิบค่ะเรามานนมส ก, การขอบประคุณท่านพร้มพรอมๆกันนะคะ พุทธวจนะในวันนี้ทําให้เราทุกคนได้ทราบนะคะว่าถ้าหวังในลาบสักการะนั้นการที่เราจะให้ทานรักษาศีลปฏิบัติสมาธินะคะ <c oughs> ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราได้ในสิ่งเหล่านั้นเพียง <c oughs> แต่ว่าเมื่อได้มาแล้วเราต้องใช้ให้ถูกต้องและถูกต้องที่สุดตามพุทธวจนะ <c oughs> นั่นจะทําให้เราปลอดภัยนะคะเราได้เรียนรู้ว่า ราบ ก, การะเป็นภัยแม้แต่กระทั่งกับพระอระหันต์วันนี้ก็อยากจะบอกว่าช่วงเวลาของปีใหม่ยังอยู่พระอาจารย์คริสโสธิพโลได้อำยพรให้กับท่านทั้งหลายในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่นี้ เพื่อจะได้น้อมนํากันไปปฏิบัติแล้วเห็นผลได้เพราะเป็นการให้พรตามแนวทางของคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะมาติดตามรับชมรายการกันได้ใหม่ทุกวันเลยนะคะเรามีวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงสําหรับวันนี้พุทธวัตรสวัสดีปีใหม่ค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการท่านเจ้เนี่ยมันเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต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 จนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธสมบรมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน